ลักษณะของภิกษุผู้เป็นธรรมวาที18อย่างสารีบุตรเธอพึงรู้จักธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการคือภิกษุในธรรมวิไนนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วิไน ว่ามิใช่ ว, วิไนัย 4. แสดงวิไนว่าเป็นวิไนัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงจริยาวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาแปดแสดงจริยาวัดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 9. ก้แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้สิบแสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ส1แสดงอนาบัตว่าเป็นอนาบัตสิบสองแสดงอาบัตว่าเป็นอาบัตสิบสแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตเบา1ิบสี่แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตหนักส5แสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยากสบแปแสดงอาบัตไม่ชั่วยากว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยากสารีบุตรเธอพึงรู้จักธรรมวาทีพิกษุด้วยวัตถุ18ปประการนี้แล